รู้อยากกลัวตายร้ายอย่างเห็นอย่ากลัวตายร้าย รอขึ้นเผาให้เอาศูนย์มานับกายเหลือ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 กับการกําจัดจุดบอดของตนเองการกําจัดจุดบอดของตนเอง ไม่มองว่าปัญหาอยู่ที่วิธีคิดเพียงเลิกคิดแล้วลงมือจัดการว่าปัญหาอยู่ที่วิธีคิดเพียง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 เกิดมาเพื่อคิดถึงคนอื่นมาเพื่อคิดถึงคนอื่นเห็นวัน เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้จบไปอีกครั้งไม่รู้ว่านี่เป็นครั้งไหนเพื่อไม่รู้จะหาประโยชน์อันใดชีวิตให้จบไป เกินทำใจชอบกับการเป็นหน้าโง่เกิดใหม่ทำใจโจทย์ชีวิตก็ยิ่งซับซ้อนแทนการเห็นโลกตามจริงเขากลับเห็นบิดเบี้ยวกว่าเดิมแทนการแก้ปัญหาตรงจุดหน้าโง่ เขากลับพันง่ายให้เป็นยากกลับพันหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้มีให้ดูเพียงใดยากมีให้สละแค่ไหนก็ให้เป็นไปตามนั้น ไม่ถือสิ่งใดให้หนักมือถือโดยปราศจากพิธีรีตองไปจนถึงปลายทางให้หนักคิดจากความว่างสาม